ตุกะหนึ่งปฏิเจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยร้อยสี่สิบสี่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่วิปยุทธจากจิต อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตธ์ด้วยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตและที่วิปยุทธจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันธ์สองและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตธ์ด้วยจิตเกิดขึ้น และถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะร้อยสี่สิบห้าสภาวธรรมที่วิปยุจจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งและถึงจิตตสมุฐานรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งกระตตารูปที่เป็นอุ ป, ปาทัยรูป อาศัยมหาภูธรูปเกิดขึ้น ส, <Evet. S 1> สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตอาศัยหัตถ์วัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตและที่วิปยุทธ์จากจิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยจิต อาศัย ห, ไหาไทยวัตถุเกิดขึ้นกระตาตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นร้อสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตและที่วิปยุจากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตและอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่วิปยุจากจิต อาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุทธ์ด้วยจิตและที่วิปยุทธ์จากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตใจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมพยุทธ์ด้วยจิตและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตั้ตารูปอาศัยขันธ์ที่สัมพยุทธ์ด้วยจิตและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมพยุทธ์ด้วยจิตและที่วิปยุทธ์จากจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุทธ์ด้วยจิต และที่วิปยุทธจากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุูปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธด้วยจิตและอาศัยหัตถ์วัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองกตัตตารูปอาศัยขันที่สัมปยุทธด้วยจิตและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอารมณปัจจัยร้อสี่เจสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยจิตเกิดขึ้น เพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุตทธวยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุทธจากจิตเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันที่สัมปยุทธวิจิตอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธวยจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิต ได้ท่วิปยุติจากจิตเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุติจิตและอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองย่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนร้อย1ี่เหตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระ อธิปติปัจัยมีห้าวาระอันันตรปัจจัยมีสามวาระสมณันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตาปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระอุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวณปัจจัยมีหนึ่งวาระกรมมปัจจัยมีเ้าวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระ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 หวิพังขวาระน่เหตุตกปัจใจร้อยสี่สสภาวธรรมที่สัมปยุทธวยจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุ ด, ด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะน่เหตุตกปัจจใจได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งสัมปยุทธวยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอาเหตุตกะโมหะที่สหโรโค ด, ด้วยจิกิชฌาและที่สหรโค ด, ด้วยอุทัจจะ อาศัยขันที่สหรูปโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรูปโคด้วยอุทจฉาเกิดขึ้นโดยในนี้พึงเพิ่มเข้าทั้งก้าวาระพึงกำหนดคำว่าเป็นอเหตุุกะทุกทุ ก, ทกวาระพึงทำโมหะมูลอย่างเดียวให้บริบูรณ์ณอารมณะปัจจัยร้อยห้าสิบสภาวธรรมที่วิปยุ์จากจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยได้แก่ จิตจตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่วิปยุจจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากจิตเกิดขึ้นเพราะนารมณะปัจจัยได้แก่ละถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเพิ่มเพิ่มข้อความจนถึงอาศัยศัตธรรมสภาวธรรมที่วิปยุจจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้จิตและที่วิปยุจจากจิต เกิดขึ้นเพราะนารมณปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทารูปอาัยขันที่สัมพยุทธ์ด้วยจิตและอาัยมหาภูรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะและถึงอาัยขันหนึ่งย่อ 2. ปัจจยะปั จ, จนิยะ 2. ส, สังคยาวาระสุทนัย 151. ยหเน่เหตุปัจจัยมีก้าวาระนารมณปัจจัยมีสามวาระน่อธิปติปัจจัยมี9้าวาระ ณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญมันยปัจจัยมีสามวาระณอุปาณิสีตปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระณปัจชาชาตปัจจัยมีห้าวาระณอาศัยวะณะปัจจัยมีห้าวาระณกรรมะปัจจัยมีสองวาระณวิปากะปัจจัยมีห้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีสองวาระณมคคปัจจัยมีเก้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระสปัจจญานุโลมปัจญิยะร้อยห้าสิบองรมณะปัจจัยกับเพสุปัจจัยมีสามวาระ ณอธิปติปัจจัยมี9้าวาระละถึงนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยมีหวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสมวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสมวาระ 4. ปัจจยะปัจจญียนุโลมร้อห้าสิมรมณ์ปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระ อนันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระละถึงบุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอายเวชนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรมมปัจจัยมี9้าวาระละถึงมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี9้าวาระสหชาตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ ห้าสิบแปดจิตตสัมปยุตตะทุกะสามปัจญะวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปั จ, จัจร้อยห้าสิบสี่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิต ทำสภาวธรรมที่ส ah th ัมปยุทธ์ด้วยจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจาวาระสภาวธรรมที่วิปยุทธจากจิตทำสภาวธรรมที่วิปยุทธจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีหนึ่งวาระเหมือนกับปฏิจจาวาระสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตทำสภาวธรรมที่วิปยุทธจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยจิต ธรรมไทายวัตถ eh uh like ุให้เป <Volks> ็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่สัมปยุตติจิตและที่วิปยุติจากจิตทำเฉพาะภาวธรรมที่วิปยุติจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่คันที่สัมปยุตติจิตธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตแต่สมุทฐานรูปธรรมอหาโพธิรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะร้อยห้าสิห้าสภาวธรรมที่สัมปยุตติจิต ทำสภาวธรรมที่สัมปยุติจิตและที่วิปยุติจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองทำขันหนึ <g> erm <u> ่งที่สัมปยุติจิตและธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่วิปยุติจากจิตทำสภาวธรรมที่สัมปยุติจิตและที่วิปยุติจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูป ทำขันที่สัมปยุติจิตและทํำหาปูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่สัมปยุติจิตและที่วิปยุติจากจิตทมสภาวธรรมที่สัมปยุติจิตและที่วิปยุติจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ขันสองทําขันหนึ่งที <Audi disso. S 1> ่สัมปยุติจิตและธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองจิตตสมุทานรูป ทำขันที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะอารมณะปัจจัยร้อยห้าสิบหกสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระเหมือนบปติจัวาระสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตทำสภาวธรรมที่วิปยุทธจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น อารมณะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหโรโคด้วยจักขวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่สหโรโคด้วยกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตทมอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตทำสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตและที่วิปยุทธจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ขันสองทำขันหนึ่งที่สหรโคด้วยจกักรวิญญาณและทำจักขายัตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำ ข, ขันสองขันสองทำขันหนึ่งที่สหรโคด้วยกายวิญญาณและทำกายายัตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำ ข, ขันสองขันสองทำขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตและทำหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น และถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะย่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทนายร้อยห้าสิบเจ็ดเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระสมณันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาติปัจจัยมีเก้าวาระ ปัญญั ญ, ญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีห้าวาระอุปานิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเศวณปัจจัยมีสามวาระกรร ม, มปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีห้าวาระ 2. ปัจจยปัจญะหนึ่งวิพังคาวาระนเหตุตกปัจจัยร้อยห้าสิบแปด สภาวธรรมที่สัมปยุทธยจิตทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธยจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุุปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่วิปยุทธจากจิตทำสภาวธรรมที่วิปยุทธจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุุปัจจัยได้แก่ละถึงทำมาหาภูตรูปหน<ม>ึ่งเพื่เพิ่มข้อความจนถึงอสัญยสัตตพรมสภาวธรรมที่สัมปยุทธยจิต ทำสภาวะธรรมที่วิปิยุจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่เหตุถูปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรโคด้วยจักขูวิญญาณทำจักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำกายายาตนะละถึงขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งสัมปยุ ด, ด้วยจิตทำอไัาายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะโมหะที่โสหรคตด้วยวิจิกิจจาและที่โสฮะรคตด้วยอุทัจฉะ ธรรมอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยชุ่ยด้วยจิตและที่วิปิยุจากจิตทำสภาวธรรมท่วิปิยุจากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งสัมปยชุ่ยด้วยจิตธรรมอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตแตสมุทานรูปธรรมมหาโพตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่สัมปยชุ่ยด้วยจิต ทำสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตและที่วิปายุทธ์จากจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยจักขุวิ ญ, ญญาณและทำจักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันธ์สองขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยกายวิ ญ, ญญาณและทำกายายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันธ์สองขันธ์สองทำขันธ์หนึ่ง ท, ที่ไม่มีเหตุ ซึ่งสัมปยุทธด้วยจิตและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุุกะโมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรโคด้วยอุทัจฉาทำขันที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาที่โสหรโคด้วยอุทจฉาและธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโดยในนี้เพิ่มเพิ่มทั้งสองวาระให้เป็นประวัติการและปฏิสนธิการ ย 2. ปัจจยะปัจจเนยะสองสังคยาวาระสุทไนร้อยห้าสิเณเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอารมณะปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปาเิสียปัจจัยมีสามวาระ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 นววิปยุตตปัจจั ย, <ส>ยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจญิยะ1้อยหอารรมณปัจใจกระเพาะถูกปัจจัยมีสามวาระและถึงนกกรมปัจจัยมีสามวาระและถึงนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระ นวิคตาปัจจัยมีสามวาระ 4. ปั จ, จยปัจญจิยานุโลมร้อยหกสิบเอดอารมณะปัจจัยใจขบนะเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงมัคคะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระนิจยวาระเหมือนกับปั จ, จยวาระห้าสิบแปดิตสัมบยุตตทุกะหสังจัตถาวาระ หปัจญานุโลมเป็นต้นร้อหสองสภาวธรรมที่สัมปยุทธรร์ด้วยจิตเกิดรกรวกับสภาวธรรมที่สัมปยุทธรร์ด้วยจิตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองเกิดรกรวกับขันหนึง่งที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตเกิดรกรวมกับขันสองในปฏิสนธิขณะเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาริมมะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระ ทุกปัจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระน่ปุริชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระน่ะอเซวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระน่ชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปยุตตปั จ, จัยมีหนึ่งวาระการ น, นับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตวาระพึงทำอย่างนี้ห้าสิบแปดจิตะสัมปยุตตทุกขะเจ็บปัญหาวาระหนึ่งปัจญานุโลม หวิพังขวาระเหตุตุปัจจัยห63สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตโดยเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธจากจิตโดยเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุทธ์ด <that> ้วยจิต เป็นปัจจัยแก่จิตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจใจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่สัมปยุติ จ, จิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สมัมปยุติจิตและที่วิปยุติจาก จ, จิตโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุติจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติตขันธ์และจิตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจใจัยในปฏิสนธิขณะอารมาณ์ปัจจัย164สภาวธรรมที่สัมปยุติจิต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมพยุด้วยจิตโดยอรมณ์ปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะป ร, ะรารบความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมาัะจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยะออกจากมักแล้วพิจารณามักพิจารณาผล พิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งขันที่สัมปยุด้วยจิตโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนั์จึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความเครื่องพร้อมด้วยสภาวะธรรมที่สัมปยุด้วยจิตด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจาตนะเป็นปัจจัยแก่งวิญญาณัญญ า, นาตนะอากินัญญายตนะ เป็นปัจเจกแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากระโมปัคขญาณอนาคตังสญาณและอาวชนะจิตโดยอารมณะปัจจัยร้อยสาสภาวธรรมที่วิปิวจักจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตโดยอารมณปัจจัยได้แก่ พระอริยพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปจัจจัยแก่โคตรภูวโวทานมาักผลและอวัชนะจิตโดยอรมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุและขันที่วิปยุจจากจิตโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตาธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรอรคตด้วยจักขูวิญญาณ โพัพายานะละถึงขันธ์ที่วิปยุจจากจิตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานโปเพนิวาสานุสติยานยทถากรรมมูปะขยานอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารมณะปัจัยอัติปติปัจจรยห6สสภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยจิตโดยอธิปติปัจัยมีสองอย่าง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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากจิตโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุจด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทารูปโดยธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยจิตและที่วิปยุจจากจิตโดยธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่ อธิปดีธรรมที่สัมปยุทธด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธจักขันธ์และจิตแต่สมุทฐานรูปโดยธิปฏิปัจใจร้อยหกสิบเจ็ดสภาวธรรมที่วิปยุทธจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยจิตโดยธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมานาธิปฏิจจได้แก่พระอริยะพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตระภูวโวทานมารรคและผล โดยที่ปฏิปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุภาไยวัตถุและขันธ์ที่วิปยุจจากจิตให้เป็นอารมณ์อย่งางหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่งางหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตระปัจจัยเป็นต้นร้อยหกสสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยจิตโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่สัมบยุณ์ด้วยจิตซึ่งเกิดกร่นกรินและถึงเป็นปัจจัยแห่พระสมาบัติโดยนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยชหชาตาปัจจัยมีเจดวาระเหมือนกับปฏิจจวาระไม่หนีคาตนาในปัญหาวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยมีเจดวาระเหมือนกับปฏิยะวาระ ไม่มีคาตนาในปัญหาวาระอุปาณิสยาปัจจัยร้อยหกสิบเก้าสภาวธรรมที่สัมปยุทธยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุท ธ, ธิจิตโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรัมณูปะนิสยาอันันตรูปะนิสยาและปะกะตูปะนิสยาปะกะตูปะนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานมีมานะเถอทิฐิอาศัยศีลความปรารถนาะ สุขทางกายทุกทางกายแล้วให้ทานและถึงฆ่าสัตว์ทำลายสงศธาทุกทางกายเป็นปัจจัยแก่ศรัทธามรักและพระสมมาบัติโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุ์ด้วยจิตโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมณู ป, ปานิสยและปะกะตูปนิสยปะกะตูปานิส ย, ยได้แก่ บุคคลอาศัยอุตุโภชนะและเสนาสนะแล้วให้ทานและถึงทำลายสงอุตุโภชนะและเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาและถึงพระสมมาบัติโดยอุปาินสยปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยร้อยเจสสภาวธรรมที่วิปยุจจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยจิตโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณปุเรชาตะ และวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุขทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรั ก, กด้วยจักขุวิญญาณผูธพายตนะและถึงวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะ เป็นปัจจัยแข่ขันที่สัหรั ก, กด้วยจกักขูวิญญาณกายายตนะละถึงพาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตโดยปุเรชาติปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยและอาเสวนปัจจัยร้อยสิอสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตเป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่วิปิยุทธ์จากจิตโดยปัจฉาชาติปัจจัยย่อมีหนึ่งวาระ เป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยร้อจสองสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตเป็นปัจจัยแข่สัมปยุทธตะขันโดยกรมมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณนกะได้แก่ เจตนาที่สัมปยุทธิจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากโดยกรมมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธิจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธจากจิตโดยกรมมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธิจิตเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานารูปโดยกรมมปัจใจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่ เจตนาที่สัมปยุทธิจิตเป็นปัจจัยแก่กระตัตรารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธิจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธิจิตและที่วิปยุจจากจิตโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธิจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะ นานาคณนกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุท ธ, ธิจิตเป็นปัจจัยแข่ขันที่เป็นวิบากและกระตาตารูปโดยกรรมะปัจจัยวิปากระปัจจัยและอาหาระปัจจัยร้อสภาวธรรมที่สัมปยุทธิจิตเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่สัมปยุทธิจิตโดยวิปากระปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุทธิจิตเป็นปัจจัยแข่งขันสภาวธรรมที่ติจ โดยอาหารปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุจจากจิตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุจจากจิตโดยอาหารับปัจจัยได้แก่เกาลิงกราหารเป็นปัจจัยแก่กคลายนี้โดยอาหารับปัจจัยอินทรีย์ปัจจัยเป็นต้นร้อสิสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยจิตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยจิตโดยอินทรีย์ปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่วิปิยุจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิยุจากจิตโดยอินทริยปัจจัยได้แก่รูปปัจฉิวตินสีเป็นปัจจัยแห่งขตตารูปโดยอินทรีย์ปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตโดยอินทรีย์ปัจจัยได้แก่จักขุนสีเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณโดยอินทริย์ปัจจัยและถึงกายินสี สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตและที่วิปยุทธจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตโดยอินทรีย์ปัจจัยได้แก่จากขุนสีและอุเปกขินสีเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยจักขวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยกายินศีและสุขขินสีกายินศีและทุกขินสีเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยกายวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยและถึง เป็นปัจจัยโดยชาณะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัย17อสภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยจิตเป็นปจัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตโดยวิปยุตตะปัจจัยมี2อย่างคือชาชาตะและปัจชาชาตะย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากจิต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วจิตโดยวิวิยตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะสหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วจิตโดยวิวิยตตปัจจัยบุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหอรคตด้วยจักขุวิ ญ, ญญาณโดยวิวิยตตปัจจัยกายายตนะและถึงหาไทยวัตถุ เป็นปัจจัยแข่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตโดยวิปัสตะปัจจัยอธิปัจจัยร้อยเจ็ดสิหกสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระเหมือนกับปฏิจัวาระสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่วิปัสตะจิตโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือชหาชาตะและปัจชาชาตะย่อ สภาวธรรมที่ ส, สั <unc> ส e มปยุทธ์ด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตและที่วิปยุทธิจากจิตโดยอธิปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระร้อสภาวธรรมที่วิปยุทธิจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธิจากจิตโดยอธิปัจจัยมีสามอย่างคือชาชะตาอาหาระและอินทรียะย่อสภาวธรรมที่วิปยุทธิจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิต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 เป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่สัมปยุด้วยจิตโดยอธิ ป, ปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่สหรูคตด้วยจักขุวิ ญ, ญญาณและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันสองขันหนึ่งที่สหรคตด้วยกายวิญญาณและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันสองขันหนึ่งที่สัมปยุด้วยจิตและอาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันสองละถึงขันสอง ในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตและที่วิปยุทธ์จากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากจิตโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือา ช, าชาชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะชาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยจิต และเกลิงกระหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธิจิตและรูปปัจชีวิตินซีเป็นปัจจัยแก่กตัตารูปโดยอธิปัจจัย 1. ปัจญานุโลม 2. สังขยาวาระสุทนัยร้9เจ็ดสเปัจจัยมีสามวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจจัยมีสี่วาระ อนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาติปัจจัยมีเจดวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปาณิสยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวะนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระ อหารปัจจัยมีสี่วาระอินทรีย์ปัจจัยมีหกวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมยุญตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิบิยตตปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีเจดวาระนติปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอนุโลมจบสอง ปจณิยุทธาระร้อสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตโดยระมณะปัจจัยชาอาชาติปัจจัยอุปาณิชยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่วิปยุตธจากจิตโดยชาติชาติปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที retirement retirement ่สัมปยุทธ์ด้วยจิตและที่วิปยุทธ์จากจิตโดยสหชาตปัจจัยและกรรมะปัจจัยร้อปสอสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากจิตโดยสหชาตปัจจัยอาหารรับปฏจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตโดยรรมะปัจจัยสหชาตปัจจัย ปูปันิเชยปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตและที่วิปยุทธจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตโดยชาชาต์ปัจจัยและปูเรชาต์ปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตและที่วิปยุทธจากจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธจากจิตโดยชาชาต์ปัจจัยปัจชาชาต์ปัจจัยอาหาราปัจจัยและอินทริย์ปัจจัย2 ปัจยปัจญิยะสสังคยาวาระสุทไนัยแป2นเหตุปัจจัยมีเจดวาระณอารมณปัจจัยมีเจดวาระณอธิปติปัจจัยมีเจดวาระณอนาตระปัจจัยมีเจดวาระณสมณันตระปัจจัยมีเจดวาระณสหชาตาปัจจัยมีหกวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระณนิสยปัจจัยมีหกวาระ ณอุปาเนียปัจจัยมีเจ็ดวาระณบุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเจดวาระณสัมบยุตตปัจจัยมีหกวาระณวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนอธิปัจจัยมี่วาระโนนธิปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระโนอวิคตะปัจจัยมี่วาระสปัจจญานุโลมปัจนียะ ร้อยณอารมณะปัจจัยกับเหตุถูปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสาวาระณอนันตรปัจจัยมีสมวาระณสมานันตรปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปาณิสีปัจจัยมีสมวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระ โนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระสปัจยปัจญจิยานุโลมร้อยแปดสิบสี่อารมณะปัจใจคำนั้นเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจใจมีสี่วาระพึงเพิ่มบทอนุโลมมาถูกะละถึงอ ว, วิคตะปัจจัยมีเจดวาระจิตตสัมปยุตตะทุกะจบห้าสิบเก้า จิตตสังสัทธุกะหนึ่งปฏิเจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระร้อยแปดสิบห้าสภาวธรรมที่รัคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่รัคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่รัคนกับจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มิรัคนกับจิต อาศัยสภาวะธรรมที่รคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทนานรูปอาศัยขันธ์ที่รคนกับจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพิ่มเพิ่มจิตตะสังสัท ธ, ธุกะเหมือนจิตตสัมปยุตตทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันจิตตสังสัทุกะจบ